แตะดวงดาวไม่ใช่คำตอที่ต้องการกลับมาเองกายสบลงแนบอุไอดินสู่ความเคยชินที่เราเคยลงลั กันเกินสิ่งใดๆอยู่อย่าพอเคียร์ใกล้ตัวความสุขอย่างนี้อยู่อยาพอดีถึงเวลาปรับเปลี่ยนคขานิย ม, ยยมสุขจริงแท้ในชีวิตคนจะกคนเจอได้ไม่ไกล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 ใครจัดสรรซองให้หนายก็ได้ดีลูกน้องคนไหนไม่รับก็จะโดนคอมเมนทำดีก็ถูกคอมเมน์มันไส้เพราะมึงไม่โกงกูโกงแล้วมึงต้องโกงด้วยอะไรลักษณะอย่างนั้น